ขอความสุขความเจริญจุมิแต่ท่านสาธรชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องบัณดิตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยบทปัญญาติคำสอนและข้อปฏิบัติของคนที่เรียกว่าเป็นบัณดิตหรือเป็นสัตว์ประดุษ เป็นประธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระผู้มีรภาคเจ้าเองคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านี้แก่ผู้ฟังในขณะนั้นรั้สั่งเป็นใจความว่าผู้เอ็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายบัณฑิต หรือสัตบุรุษในโลกนี้ตลอดถึงมหาบุรุษในโลกนี้ได้ประพฤติปฏิบัติและได้บัญญัติคำสอนที่เป็นแก่นแกนเอาไว้สามประการคือหนึ่งทานการให้สอง บันประชาการถือบวชเป็นอุบายวิธีที่จะเปลียดเบียนปัสร้ายซึ่งกันและกันสามมาตาภิตุอุปฐานการอุปถากบุรุงมานดาบิดาของตนให้ได้รับความสุขทรงเน้นว่าสัตว์รุษบัณฑิตในโลกนี้ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมทั้งสามประการนี้ และได้บัญญัติคือสั่งสอนทำทั้งสามประการนี้เอาไว้จากนั้นก็สรงแสดงสรุปเป็นคาถาว่า mm hmm. การห้ยหนึ่ง mm hmm. การไม่เบียดเบียนหนึ่ง mm hmm. การสำรวมระวังหนึ่ง mm hmm. การข่มใจหนึ่ง mm hmm. การเลี้ยงดูมารดาบิดาหนึ่ง mm hmm. ทำเหล่านี้เป็นข้อที่ บรรดิตหรือสัตว์ปุรุษได้บัญญาติไว้บรรดิตตั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้แล้วย่อมเข้าสู่แดนอันกเกษมนี่ก็เป็นใจความโดยสรุปในพระสูตรพ่สังเกตว่าหลักธรรมในตอนแรก ทรงแสดงไว้เพียงสามข้อแต่พอสรุปเป็นพระคาถาทรงขยายออกไปเป็นห้าข้อแระการแรกก็คือเรื่องของฐานเป็นธรรมะที่ปรากฏในที่ทั่วไปเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นอัธยาศัยพิเศษของพนุษย์ ที่มีการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานซึ่งกันและกันสามารถที่จะจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่ตนได้ตนมีให้แก่บุคคลอื่นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้หาไม่ได้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานเพราะถ้ก็จะแบ่งปันกันก็เฉพาะในครอบครัวเขาตอนนั้นเด็กเช่นว่าเสือจับอาหารมาก็ให้ลูกกิน ก็กินกันในกลุ่มของเข า, าเวลาก็ดื่นมาแบ่งเขาก็ไม่ยอมหรือแม้แต่ไก่ซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นตัวอย่างของการเอื้อเพื่อเผื่อแปรเมื่อเจ้านแก่บุคคลอื่นได้อาหารก็เรียกพวกมากินอาหารแต่ก็จะเป็นเรียกลูกคนตัวเองพวกของตัวเองมา ก, กินส่วนการให้ในแนวที่ สัตว์ปรุษท่านบัญญัติเอาไว้นั้นเป็นการแสดงถึงอัธยาิยสัยมางีของบุคคลผู้ให้ส่วนเจตนาลมที่เกิดขึ้นจากการให้ก็แสดงไว้หลายระดับนะเราจะไปปลูกมัดออกกับระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้บางทีเราไปพูดว่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจริงจะเป็นทานที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะมันประนีตเกินไป ก็ให้ทั้งที่มีผลตอบแทนแล้วก็ไม่มีผลตอบแทนแต่ว่าเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นโดยความรักในตัวคนโดยความนับถือในตัวคนโดยความศรัทธาในตัวคนโดยความพักดีในตัวคนโดยความสงสารในตัวคนหรือสัตว์ที่เราให้เราก็ให้คือไม่ได้เจาะจงว่า จะต้องเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้แต่ว่าเจตนานั้นจะต้องเป็นเจตนาที่ดีเพราะว่าถ้าพูดระดับระนีดมันก็อีกระดับหนึ่งจะหมายความว่าทานแนวนี้ก็คือทานในแนวทั่วไปก็ขึ้นไปเรื่อยเรยเช่นว่ามีน้อยเราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ลักษณะที่เรียกว่า อนุเคราะห์คือช่วยเหลือเจือจานหรือเพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจานกันต่างคนต่างก็มีก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก็ถือเป็นทานเป็นทานในระดับที่เป็นการอนุเคราะห์หรือแสดงความมีน้ำใจต่อกันเบี้ยดับหนึ่งนั้นจิตใจมุ่งสงเคราะห์บำบัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ผุ้คนอื่น เกิดขึ้นจากความเมตตากรุณาเป็นหลักก็สงเคราะท่านเหล่านั้นเพื่อบำบัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ท่านเหล่านั้นเจรญยามีสาธารณภัยบางเกิดขึ้นคุณเราจะเก่งยังไงก็ตามพอเจอสาธารณภัยนั้นมันก็หมดเนื้อหมดตัวได้ทั้นั้นดังนั้นถ้าหากว่าคนอื่นขาดความเมตตากรุณาต่อท่านเหล่านั้น ตอนนั้นก็จะถูกทอดทิ้งและจะเดือดร้อนเาันคนก็คิดอย่างน้อยก็คิดว่าเออถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วไม่มีใครช่วยเหลือนี่เราจะอยู่ได้อย่างไงใจก็เอเือเพือเผื่อแผ่เกิดขึ้นก็สงเคราะห์แก่ท่านเหล่านั้นด้วยอาศัยเมตตากรุณาเป็นหลัก อีกระบหนึ่งเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องจงรักภักดีเรื่องความเคารพนักถือเรื่องบูชาซึ่งบางครั้งมากราท่านเหล่านั้นอาจจะไม่จําเป็นจะต้องขาดแคลนอะไรก็ได้แต่ปรารถนาที่จะบูชาจะการบริจาคทานการทําบุญดักบาตการเสียภาษีการัดการโดยเสด็จพราชกุศล ต, ต่างๆหรือการร่วมบุญร่กุศล กับท่านที่เราเคารพนับถือทั้งหลายากุศลและเจตนานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เรามีต่อวัตถุบุคคลที่เราให้ด้วยความเคารพนับถือศรัทธาจงรักภักดีด้วยบางครั้งเราเกิดเห็นคุณค่าของการให้ในชั้นที่ประณีต จ, จริงๆเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่หวังผลตอบแทนอะไร แต่มุ่งเป็นการประดับประดาดจิตใจคือมุ่งขัขงเดเกลาจิตใจของเราให้ประนีตถือว่าการให้ทานเป็นการดีแล้วก็ให้คือไม่ได้ติดใจในรายละเอียดอะไรแต่การที่จิตใจเราจะเดินไปถึงจุดนี้ได้จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายวันนั้นก็สอนในแนวไตยไปตามลำดับพรลๆกับเราเข้าไปในวงกลม วงกลมก็คือวงกลมเราเข้าไปถึงขอบของวงกลมมันก็เข้าไปในวงกลมแล้วเข้าไปในขอบวงกลมเราก็อยู่ในวงกลมแล้วแม้จะไม่ถึงใจกลางของวงกลมก็เหมือนกันก็เหมือนกันเรื่องอื่นเรื่องถึงพรระัฒนาใจเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลไม่ใช่หมายความสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ก็อยู่ในกรอบนั้นอยู่ในกรอบของการให้ทานอยู่ในกรอบของการรักษาศีล ก็ถือว่าเป็นผู้ให้ทานเนผู้รักษาศีลท่านนั้นทานั้งหลายก็ทราบแล้วว่าเป็นบารมีที่เก็บสะสมพัฒนาคุณภาพจิตใจของบุคคลให้มีน้ำใจที่สะอาดขึ้นโดยลำดับเพราะว่าในความเป็นทานนั้นให้ลองสังเกตว่า มันมีสิ่งที่เราให้และก็มีคนที่เราให้แล้วก็มีเจตนาที่จะให้มันเกี่ยวข้องยงใหญ่กันถึงสามจุดด้วยกันถ้าสิ่งที่เราจะให้เราอย่ามีความหวงมีความเสียดายมีความสนิทอยู่เราก็ให้ไม่ได้หรือว่าคนที่เราจะให้พอดีเราไม่ชอบ ไม่ศรัทธาเริ่มใสเรื่มมีความโกรธเรื่มมีความนิสัยอะไรสักจุดหนึ่งนีะฮะมาความมีความรู้สึกไม่ดีสักจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ให้ไม่ให้ในลักษณะทานนะฮะถ้าถูกนักเกลงเจ้าพ่ออิทธิพลค่มขู่คุกคามกาคงต้องให้แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นทานแล้วก็จิตใจของเราในขณะนั้นๆ เป็นจิตใจที่มีความพร้อมจะจะให้เรียกว่าเจตนาสัมปทาคือสมบูรณ์เจตนาที่จะให้การให้มันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะในจุดนี้เพ็่อสังเกตว่ามันแค่จัดโมขะคือความหลงในผลในนิสงต้องฐานออกไปก็จัดความโกรธในคนที่เราจะให้ออกไป กาจัดความสน่ความโลภในวัตถุที่เราจะให้ออกไปจิตใจมันก็มีความสะอาดความสงบจากกิเลสที่เราลดละออกไปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่จะทำได้ขนาดไหนเป็นบารมีธรรมที่เก็บสะสมขึ้นภายในจิต จะทำให้เกิดพลังในทางจิตที่จะให้อะไรได้ไปเรืเร่อยๆจนถึงก็มีความสุขจากการให้มีปีติปราโมทย์จากการให้เดนดูแลเราก็ไม่น่าเชื่ออย่างการให้ของพระเวสสันดรให้ลูกดิงลูกชายให้ประนางมัทรีแก่พรามซึ่งมาขอ เกิดปีติประโมดเปี่ยมล้นขึ้นภายในใจของท่านแต่ถ้ามองดูกว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยท่านก็ให้อะไรมาได้เรื่อยๆให้ทรัพย์สินเงินทองให้สร้างให้รถให้ม้ามาได้เรื่อยๆของที่ไกลตัวมาโดยลําดับแล้วใกล้ตัวมาโดยลําดับจะถึงจุดหนึ่งสละได้แม้เลือดเนื้อชีวิตของตัวเอง อันนั้นเป็นระดับพิเศษไปแล้วเป็นโรคเป็นเรื่องบรรมัทธบา ร, รมีไปแล้วคนทำได้ในจุดนั้นก็ยิ่งน้อยลงไปโดยลำดับเพราะทานจึงเป็นการหล่อเลี้ยงโลกสังคมเราอยู่ได้โดยการให้โดยการรับที่ทยอยกันไปไม่ขาดสายถ้าเราหยุดในจุดใดจุดหนึ่งโลกก็หยุด เรจะเริ่มจากการให้แล้วก็มีผู้ให้แล้วก็มีผู้รับแต่ผู้ให้กับผู้รับแล้วก็เปลี่ยนกันให้กันรับไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถาบันหลักของสังคมและแก่ครอบครัวพ่อแม่เป็นผู้ให้ในตอนต้นลูกเป็นผู้รับในตอนนั้นต่อมาพระลูกก็จะเป็นผู้ให้พ่อแม่ก็เป็นผู้รับก็เป็นการปฏิบัติที่สืบสานสิ่งดีงามจากอกาดีต ให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันสร้างแบบแผนที่ดีงามให้แก่ลูกหลานซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆได้พบได้เห็นพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็รับถ่ายทอดกันต่อไปว่าไปไปของโลกมันก็ดำรงอยู่ได้เพราะมีการให้และมีการรับที่จะยอยกันไปนะฮะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งหึืบางครั้งบางคราวเราไปพูดแด่มันบีบ เช่นปฏิฆาหกกถายกผู้เจ้าทรงแสดงจริงๆปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทายกแปลว่าผู้ให้เราพูดไปพูดมาปรากฏว่าพระเป็นผู้รับชาวบ้านเป็นผู้ให้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นผู้เจ้าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพูดถึงการกระทํำเป็นหลักไม่ได้พูดถึงผู้กระทําพูดถึงการกระทำเพราะจริงๆพระก็มีการให้ พระก็มีทายกคือมีการให้ปฏิการหกชาวบ้านก็มีการรับคือเป็นปฏิกา6หกบางขณะในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นทายกคือเป็นเป็นผู้ให้แล้วก็พระเป็นผู้รับหรือชาวบ้านเป็นผู้ให้ชาวบ้านเป็นผู้รับพระเป็นผู้ให้พระเป็นผู้รับอะไรอะไรมันคือแนวของการให้การรับนั่นเองโะยทรงใช้คาบาลีว่าทายกปฏิกาหก พอมาเราก็แปลเอาเปรียบไปหน่อยนะพระก็เป็นผู้ให้พระเป็นผู้รับชาว บ, บ้านเป็นผู้ให้ที่จึงไม่ไม่สอนอย่างนั้นเขาก็สอนแนวกัตัญญูกัตเวชีเหมือนกันโดยบางทีเราพูดไปพูดมาไปบีบหมดแต่กายกับพ่อแม่เป็นบุพกา ร, รีลูกเป็นกัตัญญูกัตเวชีจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่จึงมันอยู่ที่การกระทําในแต่ละขณะ บางครั้งลูกก็ทำอุปการะคุณต่อพ่อแม่บางครั้งพ่อแม่ก็ทำาอุปการะคุณต่อลูกมันก็ต่างคนต่างทำโดยสำนึกความผูกพันความเบื่อทอนความ่วงใยต่อกันก็มีอุปการะปฏิการะต่อกันประการต่อไปในยะของบรระชาบรรญชาที่ทรงอธิบายไว้ตอนต้นนั้นทรงใช้คาคาเดียวว่าคำว่าบรญชา บริวาการออกบวชโดยเนื้อหาโดยสาระจริงๆนะฮะมันก็ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบโดยเนื้อหาท่านบอกว่าเป็นอุบายวิธีที่จะงดเว้นการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันคุณลักษณะของนักบวชที่ทรงแสดงไว้ในอวาตปาติโมที่ทรงใช้คำว่านาหิปปะจิโตปะรูปะคาติ มโนโคติป ร, รังเชตยันโตก็ตแสดงว่าแต่ตอนต้นๆนะฮะตอนศัตวรู้ใหม่ๆผู้ค่าสัตว์อื่นเบียดเปบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรปะชิตไม่ชื่อว่าสมณนะสมณะและบรรปะชิตนั้นเป็นชื่อคนนักบวชบรรปะชิตก็คือชื่อของผู้บวชที่มาจากบรรปะชาโดยเนื้อหาก็คือผู้เว้นบาป เว้นบาปยังไงเว้นบาปจนใจสงบจากบาปเป็นอาการปรากฏทางกายทางวจาจนถึงใจนะฮะเรียวสันตก า, ยโยนตาโยสันตะวาจูสันตมโนกายวจาสงบก็เรียกว่าสมณะสมณะก็แปลว่าพูดสงบแต่ว่าการจะสงบอย่างนั้นได้มันก็ต้องมีการปฏิบัติ ที่ทรงแสดงในตอนต่อมานะในโอวาปาติโมกเนี่ยก็คือต้องไม่ทำบาปต้องทำบุญต้องทำกุศลในสมบูรณ์เอาขนาดไหนเอาขนาดเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั้นไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายอนุปวาโดอนุปค่าโตไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายเป็นลักษณะของผู้บวชแต่ไม่ได้หมายเจาะจงในเชิงรูปแบบ ก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นต้องโกนผมนโกนหนวดรุงผมผ้ากาสายะอันั้นอนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกชุดหนึ่งแต่โดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยรูแบบผู้เว็นบ้าอยู่ในรูปแบบอะไรก็ได้นะฮะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่เน้นที่ตัวรูปแบบท่านเน้นที่ตัวการปฏิบัติคือพฤติกรรมทางจิต <c oughs> แม้ต่การเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปตเป็นสัตว์ในรกเป็นอะไรต่อะไรเนี่ยฮะก็อยู่ที่จิตกันเป็นหลักก่อนพราการเป็นเทวดาด้วยจิตก็คือมีริมิวัตตปามีวัตตบทเจ็ดประการมีทานมีศีลมีสุตะมีจากะมีปัญญาอะไรอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ที่จิตซึ่งประกอบด้วยเมตตาอุเบกขาเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขา เป็นพรหมก็อยู่ที่จิตซึ่งสามารถปฏิบัติสมาธิจนบรรลุฌานได้ก็เรียกว่าเป็นด้วยร่างกายเนี่ยกายเนื้อตัวเนี่ยแต่ว่าจิตนั้นจะมีคุณธรรมเหล่านั้นเป็นเทวดาด้วยจิตเป็นพรหมด้วยจิตเป็นอริยะด้วยจิตที่มีความเจือจางลงไปของกิเลสโดยลำดับ ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตมันก็ไม่มีเรื่องยากเย็นอะไรมันก็เรื่องง่ายนะคล้ายๆกับเรียนแพทย์โอกาสที่จะเป็นแพทย์มันไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าไม่เรียนแพทย์ไว้เลยเนี่ยจะเป็นแพทย์มันก็เป็นไม่ได้มันปัจจุบันจะเป็นตัวกําหนดอนาคตจึงสอนให้เป็นในปัจจุบันใ้เป็นหลักผมมาถึงการบวชมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงชัยธรรมสามคำ อิงสาสัญญ า, าธรรมะอิงสาแปลว่าการไม่เบียดเบียนนะที่ท่นานใช้คำว่าสมณะไม่เป็นข้าศึกในโลกหมายความผู้ปฏิบัติส ง, งบนเนี่ยจะต้องไม่เป็นข้าศึกกับใครๆแล้วเชื่อมโยงกับตรงอื่นทั้งหมดเนะี่ยจในสังกคุณบทแรกที่เราอธิบายสุปฏิปนโนประกโตสาวกสังโฆเนี่ย ที่แปลว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วถามว่าปฏิบัติยังไงเรียกว่าปฏิบัติดีตันตอบว่าปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติชอบตามธรรมตามบีใยแล้วก็บอกว่าเป็นอปัจจนิกะปฏิปทาคือปฏิบัติที่ไม่เป็นขาศึกไม่เป็นศัตรูกับใครๆส่วนใครจะเป็นขัตศูก็เราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ ง, งนะฮะเราก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าเรานั้นต้องไม่มีเจตนาที่เป็นฆ่าศึกกับใครๆส่วนคนอื่นเขาคิดเขาผูกอาคาตพยาบาทเขาจงเวนคงช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่าผู้เจ้าเองคนก็มองพระองค์เป็นศัตรูเยอะจนถึงจองล่างจองพรานก็ตั้งหลายครลางหลายคลามีการจ้างด่าเป็นตั้งเจ็ดวันนะนมามคันธยาจ้างด่าธิตกรุโผสัมพีตั้งเจ็ดวัน แล้วก็ไม่เบียนใส่ร้ายสารพัดนะฮะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นศัตรูพุทธเจ้ารับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะ ก, กับโลกยิ่งแต่โลกทะเลาะ ก, กับตถาคตเองก็มไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะตรงนั้นนี่เราจะไม่รู้จะทำยังไงคือการไม่บัตรธรรมะให้หลองสังเกตว่าเรามุ่งที่ตัวเองมุ่งที่แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองนี่เป็นหลัก เราใช้ตาในคือตาปัญญาเนี่เป็นหลักไม่ได้มองจองจับผิดคนอื่นฉียิบโดยลืมตวรวจสอบตัวเองนะลักษณะเหล่านั้นที่จริงเป็นลักษณะของผ่านพระเจ้าทรงแสดงว่าคนผ่านนั้นมีการแพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะจับผิดคนอื่นเป็นลักษณะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นนั่งอย่างนั้นเดินอย่างนี้พูดอย่างนั้นผิดเยอะไปหมดเลย แต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตัวเองเป็นลักษนะนั่นคือคือจุดที่แตกต่างกันในอภิษฐานานั้นท่านแนวมุ่งพัฒนาให้คนเป็นบัณฑิตมาตรวจสอบที่ตัวเองแก้ไขที่ตัวเองแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นรับผิดชอบในตัวเองเป็นหลักพระพุทธเจ้าก็ทำได้แค่บอกให้ไม่ใช่เปล่าพรวดนะฮะไม่ใช่เป่าพรว ด, ดวยจะเกิดกาเยสิ สมัยนี้ก็เก่งนะงเขเสกเป่ากันอุตรุษเราพุทธเจ้าท่านเสกเป่าไม่ได้ก็มีแต่บอกให้ที่นี่อหิงสาเนี่ยอาหิงสานั้นแปลว่าการไม่เบียดเบียนธรรมะที่เป็นพื้นฐานของกรุณาแต่ว่าเริ่มจากการงดเว้นนะฮะเราจะเห็นว่าเงื่มจากการงดเวน้นหมายความมาเริ่มจากระดับศีล ศาสตราทอนทั้งหลายลองสังเกตว่าศีลนั้นคือระดับที่เรางดเว้นไม่กระทําแต่ระดับธรรมนั้นคือทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรางดเว้นเชนะ่นเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมะก็คือเมตตาต่อสัตว์มันตรงกันข้ามกับการกับการฆ่าท่านบอกว่าธรรมะที่เป็นกรอบ ของกรุณาและตัวกรุณานั้นคือวิหิงสาหมายความมีสองตอนตอนที่เป็นศีลคือการงดเว้นการเบียดเบียนประทุษร้ายแต่ไม่ใช่เอาเฉพาะชีวิตนะฮะหรือกรุณาไม่ใช่เฉพาะชีวิตมันก็งดเว้นจากการเบียดเบียนประทุษร้ายชีวิตทรัพย์สินคู่ครอง การรับฟังข่าวสารอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าเป็นผลจากการงดเว้นตามบทบัญญัติของศีลที่เราได้ประพฤติกระทำนะก็ชื่อว่าเป็นอหิงสาแล้วคือการไม่เบียดเบียนรักตีอย่างหนึ่งก็คือกรุณาเป็นพื้นอัตยาสัยที่สร้างลักษณะนิสัยของมคุคคล ถ้าเรามองไปที่ภาพของพระที่ทรงวางไว้นะฮะแต่จะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงก็อีกเรื่องหนึงนะ่งอ่ะที่ทรงวางไว้นะะทรงวางไว้ตั้งขั้นตอนของการศึกษาพระพฤทธปฏิบัติของพระพระสงฆ์คือมูชนที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรื่องตัวนะแล้วสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วย หมายความต้องมีการุณาต่อบุคคลอื่นพยายามที่แจงแนะนำบอกกล่าวอธิบายธรรมะให้เกิดความเข้าใจเป็นประโยชน์แก่เขาไม่ได้มุ่งประโยชน์แก่เราแล้วมองไปในเรื่องที่ถกที่ทรงสอนให้พระปฏิบัติร่ชาบ้านน่ะนะนักบวชเขาเรียกว่านักบวชภูบรระชาปฏิบัติร่ชาบ้านก็มีโยงหกข้อ ห้าปราให้ทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์ชาวบ้านในน้ําใจถึงงดงามมาเยเสงเคราะห์แบบหมูไปไก่มาความเป็นการให้ด้วยความอนุเคราะห์จริงๆบอกกล่าวด้วยความอนุเคราะห์จริงๆมุ่งผลประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาก็ได้รับแล้วก็เป็นความสุขส่วนตัวเขาก็ไม่จําเป็นอะไรอย่าต้องไปขอบคุณอะไรนะนะหรือพระนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องขอบคุณอะไรก็ ทำด้วยใจที่การุณาเวลาท่านทำนะฮะเราก็ไม่จะเป็นจะต้องไปไ ป, ไปขอบคุณอะไรท่านแล้วก็พยายามให้ชาวบ้านได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแจมแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ก็สิ่งทั้งหมดนั้นเป็นความดีแก่ผู้ชี้แก่ผู้ที่รับแก่ผู้ที่ฟังคําสอน แล้วก็ในส่วนอื่นๆเช่นเรื่องของธรกระตึ ก, กคู่มือทำรรกระตึกอะไรก็อก็เป็นการทำประโยชน์แก่คนอื่นด้วยจิตใจมุ่งให้เขาหลุดรอดจากความทุกข์เป็นอาวิหิงสาแต่ว่ามันก็เข้าไปในรูปของการุณาแล้วเพราะหิงสาจริงก็คือการุณานะครับ ในทศพิรดาจะทาเองก็ทรงแสดงอย่างนั้นพระมหากษัตริย์เองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขันตินจะอวิอหิงสานะอโกทังอวิหิงสันจะขันตินจะอวิโรธนะังคือขอขอพระราชายัางไงยังไงก็อย่าเป็นราชไพแล้วกันอโกทังก็คืออยา่าโกรธนะที่จริงไม่โกรธเนี่ยตรงกันข้ามบไม่โกรธก็คือเมตตาไม่ใช่ต่อไปก็คือเมตตาอาหิงสา ก, ก็คือกรุณา คือไม่เบียดเบียนนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ได้ก่อนต่อไปก็อีกลำดับหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นเพื่อนอัธยาศัยที่จริงมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมะสะท้อนอาการทางกายทางวาจอาออกมาได้อย่างนี้คือไม่เบียดเบียนเป็นอย่างน้อยนะฮะไม่เบียดเบียนนี่เป็นอย่างน้อย แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่บุคคลอื่นด้วยความเมตตากรุณาลักษณะเหล่านี้บางครั้งก็น่าประทับใจนะบาเมื่อก่อนไปดูข่าวที่ว่าในเมืองไทยเรามีแหล่งที่เอาเด็กนาถาพิกลพิการปัญญาอ่อนะะอะไรเนี่ยมาเลี้ยงดูไว้ตั้งหกร้อยกว่าแห่งก็น่าชื่นน่านับถือท่านเหล่านั้นนะนะ ที่มีน้ำใจมีอัิยาศัยมีเมตตากรุณาตอนเด็กตอนนั้นเอาเสียสละประโยชน์สุขต่างๆของตัวเองเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่นะองค์กรเราเนี่ยที่เราเคยได้ยินชื่อมันก็มีไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบแห่งก็แสดงว่าทำงานในรูปองการปิดทองหลังพระภาค ภ, ภูมิใจเงียบงียบส่วนตัวเองใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเอง โดยคนที่ช่วยเหลือก็คนที่มาประสบพบเห็นโดยไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แด่ประการใดก็เก่งไม่ไม่ธรรมดานะนี่คือลักษณะของกรุณาแต่ต้องกรุณาจริงๆนะฮะไมใ่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ต่อไปอีกทีหนึ่งพื้นฐานนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่คนที่เราการุณาแต่ในขณะดเดียวกันท่านก็บอกบอกว่า ต้องมีสัญญะคือการสำรวมระวังการสำรวมระวังการระมัดระวังย้า้เกิดการกระทบกระทั่งเป็นอย่างน้อยอีกะนะย้า้เกิดการกระทบกระทั่งที่ไปนผลเสียแก่บุคคลอื่นการกระทบกันนั้นกระทบโดยการกระทำทางกายกระทงาวาจานะแม้แต่คิดประทุษร้ายเรียกว่าทุศจิต ิตที่คิดคิดประทุษร้ายนึกแช่งนึกอาฆาตพยาบาทคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสำรวมระวังอย่าให้เกิดก็สำรวมกายนะสำรวมวาจาสำรวมใจก็มามาม า, มาที่สามจุดแต่ท่านเรียงมาโดยลำดับพ็สำรวมหนึ่งระดับของศีลศีลที่เราสมาธานกันตามสมควรแก่ฐานะ สำรวมระวังระดับอินทรียเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริ้มรส ถ, ถูกต้องยินรอนอ่อนแข็งเนี่ยกอสำรวมที่ใจะนะฮะสำรวจที่ใจอย่าให้ใจเกิดความดินดีจินร้ายกับอะไรมากเกินไปจนสูญเสียความสงบกลายเป็นคนแบกโลกโอนุท้ายแทนที่จะแก้ปัญหาได้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะตัวเองมีปัญหาตัวเองและบางเรื่องนี่มันแรง มันโดนกระแทกกระทันจากข้างนอกแรงๆตัยุ่งนิดหน่อยนะยุ่งนิดหน่อยต้องใช้ขันติสังวรคือสัมบรวมด้วยขันติอดกล้านอดทนเอาไว้โดยมองผลจาการอดทนนะฮะขันตินี่ท่านต้องบอกต้องต้องมองผลใาการอดทนว่าผลสรุปในตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นความดีแต่ถ้าผลสรุปในตอนสุดท้ายเป็นความเดือดร้อนแล้วไม่ออดทนเนะี่ยฮะ จำนวนคนจนแล้วก็อาศัยชายบ้านคนอื่นอยู่ฝนตกก็เดือดร้อนแดดออกก็เดือดร้อนน้ําท่วมก็เดือดร้อนบอกเอาทนเอาทนเอานะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างนี้มีความเดือดร้อนมากขึ้นท่างก็ไม่ใช่อดทนคือไม่สอนอย่างเนี้ยเพื่อไปใช้ถูกต้องเรื่องธรรมะนี่ต้องเอาไปใช้ถูกต้อง อย่างที่เคยบอกว่าปัญหาเวลานี้เรามีปัญหาเรื่องตกเขียวตกแดงที่ภาคภาคเหนือเนี่ยคือไปอธิบายกระตันยูกันผิดๆหมายความว่าพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตของลูกไปพูดไปพูดมาพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกจะต้องชดใช้พ่อแม่ด้วยชีวิตของตัวเองทําอะไรทุกอย่างเสียสละทุกอย่างแม้ตัวเองจะตายก็ขอให้พ่อแม่เป็นสุ อ น, นี้สอนสอนสอนแรงมากนะฮะพอแม่กลายเป็นอมิตรคือกลายเป็นศัตรูของลูกไปแทนที่จะเป็นพรมเป็นบูรพาจารย์เป็นบรหันมาก็กลายเป็นศัตรูของลูกสังคมที่น่ากลัวนะฮะกับผูพ้พูดการ น, นี้ไม่รู้จะแก้ยังไงอย่างนัี้นะครับเพราะมีเงื่อนไขมีปัจจัยต่งตางๆเยอะถ้าจะแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ย คนเราถ้ายัางถ้ายัางโง่มากๆอยู่มันพูดยากนะอะไรทั้งหมดเราเรานึกว่า ง, ง่ายนะอย่างวังก่อนวันที่ยี่สิบเก้านี่ยท่านบางท่านอาจจะดูรายการรทัศน์ช่องสิบเอ็ดที่มีการประชุมันที่ศูนย์วัฒนธรรมก็คืออากันไว่เลี่ยนี่คนหนึ่งเขาพูดว่านีคนก็บวนว่าบวชลูกหนึ่งคนจนไปสิบปี พอข้าวัดยิ่งจนลงจนลงพระเลยประท้วงเลยต้องสั่งปิดใหม่เลยก็อันนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีในบางแข่งเราจะปฏิเสธไม่มีไม่ได้แล้เพอสังคมไทยเรานั้นมีปัญหาสามเรื่องแต่เราแก้ได้นี่มันจะดีอะไรขึ้นเนี่ยคือเรื่องบวชเรื่องแต่งงานเรื่องงานศพ ใช้จ่ายมหาศาลลงทุนมหาศาลแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินคนอื่นนะฮะบางชีโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเด่นแรงมากๆกแต่อย่าโทษพระไม่ได้หรอกพระไปพูดก็ไม่ได้ดีดีไม่ดีมันดา่าเอาคนเดี๋ยวนี้ดุนะฮะเนเขาห้ามแนหน่นาามกเล่าแนห่น้าขอร้องโยมอ ย, ย่าแหย่มันด่าเลยดีไม่ดีันปากุติซึ่งคนมันดุเยอะ เพราเราจะไปโทษพระอย่างรูปเดียวสมบัติอย่รูปเดียวเพืแก้ปัญหาโลกอย่างนี้ไม่ได้เราเราไม่ได้เข้าไปอยู่ภาคสนามเรานั่งพูดบนเก้าอี้มันพูดได้นะแต่ลงภาคสนามนี่ไม่ใช่เล่นแต่ละเรื่องนี่ทำยากทั้งนั้นมันเป็นเงื่อนไขกขนบทรรมทำเนียมประเพณีความเชื่อถือการปลุกเร้าการยั่วยุจากบุคคลอื่นอีกเป็นนั้นมากเนี่ยไม่แน่จริงเนี่ยว่าเพื่อนบอกไม่แน่จริงเนี่ย แน่จริงมันต้องมันต้องหนึ่งว่าแต่งงานทั้งทีนี้ต้องให้หลือไปทั้งบางเลยนะเราดูวัฒนธรรมนะดูวัฒนธรรมดูพวกวันในคดีอะไรต่างๆซึ่งมันแรงมากๆดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงจึงจึงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดสํานึกขึ้นภายในใจเกิดสํานึกขึ้นภายในใจคนเหล่านั้นเองจะให้ โดนบรรดาร อ, อะไรแต่ไรมันก็ทำไม่ได้ลักษณะการสารวมระวังต่ออารมณ์บางครั้งมันมาจากข้างนอกแล้วกค่อนข้างแรงเนี่ยเราก็ต้องทนเอาจนถึงก็มีสติระลึกรู้หยุดยับยั้งชั่งใจหยุดความคิดที่จะพูดที่จะทำหรือแม้แต่จะคิดเอาไว้ ก็ฝึกปรือนะฮะเป็นลักษณะงการฝึกปรือทาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ใช่ร0อยเปอร์เซ็ดอกไม่มีใครทำได้ร้อยเปอร์เซ็นตอกจากพระอาจารย์แต่ว่าทำยังไงว่าเรารู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีการสารวมระวังสูงขึ้นมีปัญหาอะไรรู้สึกว่าก็ต้นทานอารมณ์ได้เพิ่มขึ้นก็ควรแกการภูมิใจแล้วนะฮะ ทีนี้ทำยังไงจะทำได้ท่านก็บอกว่าต้องมีธรรมะธรรมะนั้นแบ่งเป็นสองตอนตอนหนึ่งคือตัวพัฒนาตัวเองเปลว่าฝึกปรืออบรมตนเองฝึกปรือในการรักษาศีลฝึกปรือในการให้ทานฝึกปรือในการสำรวมอินทรีย์ก็ฝึกปรือมาเรื่อยๆนะจนบางครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ติตาเสีบ้างนะฮะติตาเสีบ้างอย่าดูซสีบ้างอย่าฟังเสีบ้างอย่าสูดดมเสีบ้างนี่ก็หมายความว่าอย่าเปิดรับเรื่องมากเกินไปแล้วถ้ารับแล้วก็อย่าไปเก็บไป ม, มากเกินไปเรื่องอะไรควรเก็บก็เก็บเรื่องไม่ควรเก็บก็อย่าไปเก็บมันอย่าไปจามันก็เก็บรับไว้ตรงไหนก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอาติดใจไปด้วย แต่ว่ากว่าจะทําได้มันก็ต้องฝึกแล้วตตัวฝึกจริงๆก็เราฝึกที่จิตเราฝึกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอดทนหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอ่อนแอมากเกินไปแล้วก็ขาดความอดกลั้นความอดทนขาดการฝึกปรือมา ตอนนี้มาเวลาออกต่างจังหวัดนี่พูดสองสามชั่วโมงนี้ไม่หยุดอ่ะเราก็ตอนนี้เราถือเราหกสิบเอ็ดแล้วเราแก่แล้ววันพูกที่นั่งฟังนี่หนุ่มๆกับเราแั้วนั่นเนี่ยไม่ให้พักกันนะไม่พักบอกฝึกขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีฝึกสร้างบา ร, รมีกันก็ไปถึงลงจากรถปั๊บข้าห้องน้ำํำดื่มน้ําแก้วเดียวพูดพวดสามสี่ชั่วโมงเราก็กลับ เราก็ทําได้นะเราก็หกสิบอ็ดแต่ท่านต้องทําได้ด้วยมังกรอนไปฝึกพระนครสวรรค์ห้าร้อยรูปนั่งอย่างเงี้ยนั่งไปเลยไ ม, ไม่ให้พัดท่านก็ทําได้นะฮะเราก็ขูท่านก่อนอะ่ะบมผมแก่แล้วนะผมหกสิบเอ็ดละตอนนี้พอพอหกสิบเ็ดนี่ยขู่เพื่อนได้เลยราชการอ่อนกว่าเราตั้งนั้นเลยเราชการเนี่อ่อนกว่าเราเราก็บอกเราแก่กว่าเพราะสิ่งอะไรที่เราทําได้เนี่ยคนหนุ่มๆกว่าต้องทนได้ด้วย ก็หมายความว่าเราก็พยายามฮัพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่วันนิ่งๆทาได้ก็ฝึกไปจนมีธรรมะอีกประการหนึ่งคือการหักข้ามจิตใจตัวเองคมตัวเองหยุดหยุดตัวเองได้นะบางครั้งตง้องใช้คำว่าเป็นผู้ไปได้เป็นผู้ฆ่าได้เป็นผู้หยุดได้เป็นผู้ทําลายได้อะไร ก็เหมือนกับการรบในสงครามเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยเราต้องหยุดเขาได้ต้องหยุดคาดศึกได้หรือว่าบุมบามพรีพรามเข้าไปจะมีอันตรายต้องหยุดตัวเองไว้ได้ไม่ใช่ว่าพอบุกก็บุกอุตลุดไปเลยประเดี๋ยวก็โดนกับโดนบ่อโดนหลุมระเบิดตายหมดเพราะมันต้องหยุดได้ การจะหยุดหรือไม่หยุดมันต้องใช้ปัญญาสูดสอบพินิพิจณาว่าทำไมหยุดแล้วมันจะมีปัญหามันจะหยุดใช้ได้ก็จะตัดกระแสของปัญหาบางครั้งบางคราวต้องมองผลไกลยาวนานอย่างที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องทีคาวุคุมานนะครพระเจ้าคีติโกศลถูกกษัตริย์ต่างเมืองมารบจิงบ้านชิงเมือง แล้วก็ท่านคนหนีก็เจอก็เจิงจนตลอดต่อมาในถูกจับได้แล้วก็ออกไปฆ่าลูกชายทีกะวุกุมานมาเห็นข้าวก็โกรธแต่พระเจ้าทีกิติท่านก็เห็นว่าตรงนี้มันมันทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วท่านก็ยอมตายสักองคหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตลูกไว้รอไว้ในโอกาสต่อไป แล้วก็กล่าวเป็นคำกรอนนะฮะในคำคำกรอนในจริงสมเด็จสังฆราชจ้าท่านแปลตั้งแต่เพราะตัวนี้ยมาดูดวงจิตปิดาจงฟังเพราะว่าให้เห็นแก่การยาวนานจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรปัยราดระงับพราะผูกเวรกันคือคิดมาจากรักยาวให้ให้บั่นรักสั้นให้ต่อ เป็นความคิดไทยคมนะฮะหมายความว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อหมายความว่าถ้าเราจะคบหากันยืดยาวเนี่ยฮะอะไรทีเล็กก็น้อยเนี่ยมันไปเก็บมาก ต, ตัดออกเสียบ้างนะะีบั่นออกเสียบ้างตัดออกเสบ้างแต่ถ้าหากว่าต้องการย้ายแตกมิดเร็วต้องการเกิดเรื่องก็ต่อความยาวสาวความยืดออกไปเลยนะเรื่องนิดเดียวก็สร้างให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเดียวก็ได้เรื่องนี่ก็คือแนว ในในการคิดที่จะยุติเวรภัยยุติอันตรายมองการยาวนานที่จะได้ผลในโอกาสต่อไปที่กบุกุมารทั้งก็ปฏิบัติตามจนดอมาก็ทําตัวสนิทสนมกับพระเจ้าโกศลพระเจ้าพาราณสีนะฮะและจนเข้าไปชิดตัวจะฆ่านะฮะจะฆ่าพระเจ้าโกศลได้แล้วนะเงื่อนดาบขึ้นแล้ว ก็นึกถึงคําสอนของพ่อพจ้ากุศลพระเจ้ากาศีก็ตื่นขึ้นมาเห็นข่าวเขสอบถามแกขาเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วกำลังจะฆ่าแต่นึกออกนึกคําสอนของพ่อออกก็เลยไม่ฆ่าถ้าฆ่าก็ฆ่าได้นะก็ทําให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นศัตรูมาก่อนและในที่สุดก็ให้แต่งงานกับราธิดาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพ่อ ต่อจากนั้นก็ได้เป็นจเจ้าแผ่นดินแทนนั่นนัคือแนวที่เรียกว่ารู้จักหยุดก็ตีไทยเราก็มีแยอะนะฮะอดเปรี้ยวไปกินหวานเด็กยาวให้ปั่นก็สั้นให้ต่อก็รู้จักค่มใจหักข้ามใจตัวเองท่านอาจายจะเห็นว่าสามข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับต้องบวชเลยบวชหรือไม่บวชมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ การปรับจิตใจของเราให้เป็นคนไม่เบียดเบียนจะสํารวมระวังจะฝึกปลือตัวเองแล้วก็ข้ามใจตัวเองก็เป็นการเว้นบาปนะเป็นการสงบเป็นการเว้นบาปชื่อว่าเป็นบนรรพชิตชื่อว่าเป็นสมณะชื่อว่าเป็นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้เห็นภยัยเพราะแต่เราดูอดีแนวของสังฆคุณนะ ที่ท่านบอกว่าเจดีดังนี้คือใครจตาริปุริสยุการนี้คู่แห่งบรุษสีอัฐบริสุภุกลาบุรุษปุคนแปดเอสาพระกโตสาวกสังโค น, นี้หมู่สาวกของพระภูมิพระภาคยาที่จริงก็แปลว่าหมู่นะสังโค น, นี่แปลว่าหมู่แปลว่าหมู่ก็ได้นะครับแปลว่าฝูงก็ได้แปลว่าโขงก็ได้นะแปลว่าพวกก็ได้คณะก็ได้ ก็แสดงว่าโดยสารัตถะคือโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยพระยาบุคคลทั้งหลายมันก็เป็นหมู่สา ว, วกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเ mm hmm. พราะกครั้เราดูเอตตะคัสสา ว, วกจะเห็นไดน้ชัดเลยเอตตะคัสสา ว, วกนี่ไม่ได้มีเฉพาะพระมีเป็นอุบาสิกาอยู่สิบท่านมีเป็นภิกษุณีอยู่สิบสามท่านมีเป็นอุบาสกอยู่สิบท่าน ก็เป็นภิกษุอยู่4ี่สบเอ็ดที่บนะฮะภิกษุอยู่สี่สิบาท่านก็แสดงว่าพุทธบริษัทพุทธีบริษัทนั้นก็คือหมู่สาวกยิ่งแต่ว่าสาวกนั้นแปลว่าฟังจากพระพุทธเจ้าเราเกิดในยุคหลังไม่ได้ฟังไงนะฮะไม่ได้ฟังก็ไม่เรียกว่าสาว ก, กเรียกว่าพุทธบริษัทเรียกว่าอะไรอะไรไปเรียกว่าอุัาสกปฏิกาภิกษุก็เรียกเพราะฉะนั้นโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยการบวชที่สําคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงทางจิต ที่มีความรู้สึกและการไิบัติตนเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยมีลักษณะเด่นก็คือการไม่เบียดเบียนลักษณะเดียวนะฮะคือไม่เบียดเปียนส่วนสัญญมากระทมานั้นเป็นการฝึกเราเองเป็นการฝึกตัวภายในเราเองเวลากระทบคนอื่นคือไม่เบียดเบียนแล้วไม่เบียนทางเราไม่เบียดเบียนบุคคลอื่น เึ่งท่านสรุปคุณลักษณะของสมณะว่าเป็นผู้ไม่เป็นฆาสึกในโลกหมายความว่าเป็นไม่ไม่เป็นฆาสึกกับใครใโดยเจตนาท่านเองนะฮะคนอื่นเจตนาจะเป็นฆาสึกก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแต่การต่อไปคือมาตาปิตุปรฐานตรงนี้มีเยอะเลยปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะเป็นธรรมะของโลก เป็นจริยธรรมของโลกในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนะนะเคยมีการทำชาปนกิจชาปนกิจธรรมะชุดนี้ธรรมะคือกะตัญญูกตัตเวทีเนี่ยพนางกัจจา น, นีท่านเลี้ยงลูกมาแล้วปรากฏว่าลูกขับไล่ท่านออกจากบ้านท่านก็สงสัยวิธรรมะมันหายไปได้ยังไง ก็ต้องลงต้องทำชารารกิจเดือดร้อนฟ้าเดือดร้อนดินก็เป็นการใหญ่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโลกเนี่ยมันอยู่กับการให้การรับสถาบันครอบครัวนั้นคือสถาบันแก่นแกนของสังคมเป็นสถาบันหลักที่สุดในสังคมเนี่ยคือสถาบันครอบครัวอย่างอื่นมันจะท้อมาจากครอบครัวดังนั้นน่นะฮะแม้แต่เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นอะไรแต่ออไรมันก็สะท้อนมาจากครอบครัวคือเป็นคนจากครอบครัวเป็นประธานาธิบดีใหญ่ยังไงก็คือคนในสถาบันครอบครัวเพราะสถาบันครอบครัวนั้นจะต้องเป็นสถาบันหลักแล้วก็เป็นตัวถ่ายทอดธรรมะที่ปฏิบัติต่อการโดยความเอื้อเฟื้อระหว่างพ่อแม่ลูก เดี๋ยวพอออกไปข้างนอกเราก็มีคนสองฝ่ายอยู่งั้นแหละเ็นว่าก็มีคนสองฝ่ายคือเราก็คนอื่นเราคนอื่นเราคนอื่ น, ก, น, นก็เป็นอย่างงี้ตลอดอ่ะออกไปจากบ้านมันก็เจออย่างงั้นอ่ะเจออีกฝ่ายหนึ่งตลอดไปสถาบันครอบครัวคล้ายค้ายกับสถาบันที่ฝึกสร้างคนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลเอาใจใส่กัน สนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความรักได้รับความรักต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยต้องการที่พึ่งพํานักอาศัยต้องการการพักผ่อนหย่อนใจต้องการสันทนาการด้านต่างๆนะฮะการสนทนามีการสนุกสนานเพลิดเพลิอนอบอุ่นเราก็สร้างเงจากจุดย่อยของสังคมเพราะฉะโดยจิตสํานึก โดยจิตสำนึกของความเป็นลูกซึ่งได้รับกิริยามาจากพ่อแม่นะับที่ให้กำเนิดที่เลี้ยงดูที่ทาภาระหน้าที่ของท่านมานพระเจ้าก็สอนเรื่องมาตาปิตุปฐานคือการอุปถาความรุมงมานดาปิดารดอให้ความสำคัญเป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระโิสัตว์ในแต่ละชาตินั้นจะเป็นแบบฉบับในการเลี้ยงดูมารดาบิดาแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่บางอย่างต้องแย่งกันกับพี่กับน้องอต่างคนต่างก็ต้องการที่จะประาคามรุ่งพ่อแม่ที่ก็ขอก็แบ่งกันเป็นเป็นวาระเพื่อให้ลูกทุกคนได้มีโอกาสมีโอกาสเลี้ยงดูมีโอกาสปฏิบัติบวารุ่งพ่อแม่ วันในจุดนี้จะทรงสอนและจนถึงกับในมาตาปิตุปฐานที่ท่านอธิบายไว้ในมังกรัตติปนีนะว่ธาทากะเทวราชเนี่ยพอออกจากวิมานเนี่ยท่านจะพนมมือไหว้ไปในที่ทั้งหลายมาตลีเทวบุตรถามว่าไหว้อะไรไหว้ใครไหว้ทำไม ท่านบอกว่าไหวกุลบุตรกุลธิดาที่อุปถากเลี้ยงดูมบำรุงมารดาบิดาแล้วก็คู่สามีพัญญาที่อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขหมายความว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อกันโดยความเอื้อเฟือ้อเรียกว่าเดวาปินางประสังสันติเทวดาย่อมสรรเสริญนะฮะพรหมย่อมอนุโมทนาพวกอย่างเงี้ย พวกที่อุปถากบำรุงมารดาปิดดาพวกที่คู่สามีพันยาที่อยู่กันเป็นปกติปฏิบัติหน้าที่ต่อกันในแนวของเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาไม่ใช่ยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์นะเทพธิดาอยู่ร่วมกับ เ, เทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาก็เป็นผู้ที่ท้าวกะเทวราชประนมมื อ, อทุกครั้งที่ออกจากวิมาน การอุปถากตรบังมันดาวิดามันเกิดขึ้นจากความสำนึกกัตัญญูกัตเวทีต่ออุปการคุณของท่านแล้วก็เห็นความสำคัญทีเจ้าทรงแสดงไว้เป็นพวกอักคินะฮะเป็นไฟเป็นไฟที่จะต้องบูชาเทียบกับไฟที่พราหมณ์บูชาแต่เราสามารถจะมองได้ว่าพ่อแม่เนี่ย จะมีลักษณะเป็นไฟคือหมายความมาถ้าเราล่วงเกินท่านเนี่ยบาปมากเหมือนไฟเราเผินนิดเดียวมันไหม้บ้านไหม้เมือง ไ, ได้แต่ถ้าปฏิบัติบำรุงให้ดีก็จะมีคุณมากเพราะท่า น, นยึงทรงแสดงไว้ทั้งส่วนที่เป็นคุณมากและส่วนที่เป็นโทษมากโทษมากก็คือการประทุสรายต่อมารดาบิดาขนาดฆ่าเนี่ยมีค่าเท่ากับค่าพระพุทธ พระอาหารหันต์นะฮนะข้าพ่อข้าแม่มีมีบาปเท่ากับข้าพระอรหันต์ทร้ายพระพุทธเจ้าก็ทําสั่งกระเพงคือแสดงว่าด้านบาปนีนบาปมากบาปสุดๆนอกจากมิจฉาทิฏฐินอกจากนี้จามิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยบาปตัวนี้เป็นบาปหนักที่สุดที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะฮะหมายความปิดประตูสวรรค์นิพพานลงนรกลูกเดียวไม่มีทางออกเลย แล้วก็นานด้วยแต่ในขณะเดียวกันที่เป็นบุญก็ยกเป็นอุดมมงคลนะฮะยกเป็นอุดมมงคลเป็นเอตมังกาลมุตมะมังเป็นอุดมมงคลในด้านด้านของการบูชาก็แสดงเนี่ยมาตขิปิตขิมาตขิอารหันอาหุเนยคิอาหุเนย ค, นยคิคือพระอารหารันมีค่าเท่ากัน ในความบูชามารดาบิดาพระอาราหันต์หุเนยยะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติบำ ร, รุงบรรดาบิดาพระอรหันต์พระพุทธเจ้ามีค่าเท่ากันทำบาปก็บาปเท่ากันนะทำบุญก็บุญเท่ากันเพื่อสํานึกว่าจริงๆแล้วในชีวิตของลูกแต่ละคนเนี่ยมีพระอหันต์อยู่ก็คือพ่อแม่ ที่เป็นพระหานของลูกเป็นอาหุเนยยาจะปุตานังประชาญาโนกรรมประกาศป้อนมันดาบิดามันก็มัน ก, นก็คือสังกคคุณห้ห้าข้อหลังนะ่ะนะห้าข้อหลังทั้งหมดอาหุเนโยควรคํานับอาหุเนโยควรตอนรับสักิเนโยควรควรควรเลี้ยงดูท่านนะนะอันเจริการนโยควรกราบควรไหว่นะก็เป็นเป็นเนื้ออาบุญของลูกนะมันจะของโลกแตของลูก ก, งลกก็ของโลกกันแหละของชาวโลกกัน ก็ก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันเมื่อเป็นอาหุนโยก็ต้องปาหุนโยธกยิจนโยธิการนโยแต่ตรงนี้ทรงยกคําว่าอาหุนโยถ้าท่านหลายเห็นว่าอาหุนโยกับปาหุนโยมันต่างกันนะครอาหุนโยนั้นหมายความมาเราไปหาท่านไปอุปถากบํารุงเลี้ยงดูท่านป่าหุนโยนั้นท่านเหมือนกับแขกเมื่อมาหาเราก็ต้อนรับ ตอนรับว่าอาหุนโยก็ควรแก่ของคำนับจะมีเข้าปราหารส้มสุกลูกไม้ไปหาท่านเสื้อผ้าอะไรแต่ไรไปหาท่านแต่ป้าหุนโยเนี่ยหมายความว่าท่านมาหาเราเราก็ต้องยินดีกระตือรือร้นต้อนรับให้ความเคารพนับถือหรือเป็นการกระทาด้วยใจจริงจริง ตอนสำนึกคุณในด้านที่เป็นพรมที่เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้ให้กำเนิดท่้นชีวิตอะไรต้องต้องต้องคิดหลายๆเรื่องนะฮะแต่หมายความว่าต้องจับหลักให้ได้ว่าแม้แต่เกิดมาเพียงอย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะนะท่านให้กำเนิดเรามาอย่างเดียวก็พอแล้วไมคิดมากมันก็ไม่ได้บางทีท่านเกิดมาตายหรือว่ามีเหตุจําเป็นอะไรก็ช่างเรื่องของท่าน เกิดมาแล้วแม่ตายแล้วพ่อตายไปท่งางก็ไม่ได้เลี้ยงดูเราอาจจะเติบโตมาในมืองคนอื่นแต่ว่าคน่านั้นที่จริงก็ให้ชีวิตเราไม่ได้ไม่ได้เฉพาะอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยการศึกษาเรเรียนแต่คนที่ให้ชีวิตก็คือพ่อแม่เพราะงั้นความสำนึกเหล่านี้อุปถาการรมงมารดาบิดาอย่างนี้ท่านบอกว่าประพฤติต่อท่านโดยความเอื้อเฟือ้อ การพูดหยาบการทำหยาบหรือแม้แต่คิดหยาบแต่นึกแช่งแม้เมื่อไรจะตายตะทีเนหนังเดียวจรงเนี่ยนึกแช่งพอแม่จะตายตะทีบาปทั้งนั้นนะฮะคิดประทุษจิตเนี่ยเกลียวประทุษจิตคือจิตที่คิดประทุษร้ายต่อมารดาบิดาเนถือว่าบาปแล้วเป็นเรื่องแปลกนะถ้าหากว่าเราเคยสังเกตเรื่องเหล่านี้อามานี่เคยสังเกตเราเยอะอากลัวดี๋คุณคุณกัน คือนึกจะเขียนน่ยเรื่องชีวิตนี้ใครลิขิตจริงจะเขียนแบบนอนิยายนอรเรื่องเรื่องจริงนะฮะแต่มาความเขียนเป็นอร์นิยายเขียนให้อ่านง่ายขึ้นคือคนที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อพ่อแม่เนี่ยน ะ, ะพอแก่ก็ตัวเองก็โดนจนได้อะเหมือนกันนะเพราะว่ากิริยาอย่างไงปฏิกิริยาต้องเป็นอย่างนั้นตามคติของเราที่ว่ามักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้น ถ้าเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราโดยความเอื้อเฟื้อดีมันเป็นการสร้างแบบฉบับให้แก่ลูกของตัวเองแล้วสมมติว่าเราจะอบรมตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนลูกลูกมันก็เชียงไม่ได้ก็ชี้แม่ไม่เห็นปฏิบัติต่อยายเลยก็เราปฏิบัติดีแกก็เห็นอยู่แกก็เชียงไม่ได้เด็กแกก็ต้องจำหนนคือถือตามปฏิบัติตามอย่างนั้น วันหลักตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตต่อไปว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเพิ่มข้อที่หกนะแสดงไว้ห้ข้อเท่านั้นเองทุกแข่งทุกแข่งใช้คำเหมือนกันทุกแข่งเหมือนกันจนคนในยุคนี้บอกว่าน้อยไปแต่ว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนเป็นธรรมะภาคปฏิบัติหมายความปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดเองแต่แค่กะยาเนี่ยกินก็ไปก่อนเท่นะน ให้กินยากันไปก่อนแล้วยาก็ทำปฏิกิริยาเขาเองอ่ะไม่ต้องยุ่งเขาอะก็สอนว่าหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วให้เลี้ยงท่านต่อเลี้ยงทางกายนะฮะทางใจของท่านให้ได้รับความสุขช่วยทำงานช่วยแบ่งเบาช่วยรับใช้ช่วยแบ่งเบาช่วยทำงานให้แก่ท่าน โดยความตั้งใจโดยความเอื้อเฟื้อนะไม่เพ่งเลง็งมุ่งรับมุ่งฮุบมรดกอะไรแต่ไหนแต่ภาพเหล่านี้ไม่ค่อยสะท้อนนะฮะวรรณคดีไทยเราหนังสือไทยส่วนมากแย่งมรดกทุกทีเลยนะไอ้เรื่องที่ที่จะลูกจะทำโดยความเสียสละเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายใจไม่ได้มุ่งหวังมรดกไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นมรดกนี่ไม่ค่อยสอนกันหรือชอบสอนเรื่องไม่ค่อยดี แล้วคนก็ชอบดูเรื่องไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ดํารงวงศุกุลวางตนให้อย่างนอ้อยที่สุดเนี่ยเป็นอนุชาตบุตรคือบุตรที่ดํารงรักษาสกุลถ้าทำได้ดีจน ถ, ถึงเป็นเป็นอนิชาตบุตรคือบุตรที่ช่วชูสกุลได้ก็ดีนะะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เป็นอนุชาตบุตรคือดํารงรักษาะกูลเอาไว้แต่อย่าเป็นอาวชาตบุตร ลูกที่ล้างผลาญตระกูลทำลายตระกูลให้เสื่อมเสียสื่อเสียงตระกูลเกิดเดือดร้อนบางทีต้องเปลี่ยนนามตระกูลกันยุ่งกันไปหมดเลยแล้วก็วางตนเหมาะสมในฐานะของทายาทที่ให้ความภาคภูมิใจความสุขใจความหวังอของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ แล้วเมื่อท่านตายไปก็ทำบุญอนุทิศกุศล ส, ส่งไปให้แก่ท่านปรการที่หกได้ทรงนิพน์ไว้ในเรื่องวิวาประสมุตชีวาเมื่อแก่ท้าววังเจ้าข้ามรับใช้มา่ป่ยวยไข้วังเจ้าข้ามรักษามืยามจะต้องตายวาชีวหวังลูกช่วยปิดตามมาสินใจเราก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันจะพูดยาวหรือพูดสั้นก็ตามเพือสรุปว่า อิจฉนึกที่เหมาะควรที่สุดก็คือจะต้องยอมรับนับถือคุณูปการของมันดาปิดาในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วก็ตอบแทนคุณคุณของท่านในรับความสุขที่สุดในบ้านปลายของชีวิตเป็นตามกำลังความสามารถขอเราที่จะกระทำได้คนนี้เป็นหลักปฏิบัติของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะ อนี้เคยเล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าสุโทธทนะรู้เจ้าก็ไปปฏิบัติอุปถาความรุงเหมือนลูกลูกคนหนึ่งนะฮะลูกคนหนึ่งไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งๆนี่จริงๆแล้วพระเจ้าสุโทธทนะเป็นเป็นลูกศิษย์นะฮะเป็นสาวกสาวกของพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็ไปปฏิบัติหรือแม้แต่ท่านนากุลบิดาณกุลมารดาซึ่งท่านท่านตู่ว่าพุทธเจ้าเป็นลูก่ แล้ท่านพระเจ้า ก, ก็ไปอุปถากตบำรุงจัด ก, การทาภารกิจศพอะไรให้เองถือว่าเป็นแบบเป็นประเพณีเป็นเชื้อสายของพุทธาที่บันดิตทั้งหลายในโลกนี้ท่านจึงบัญญัติหลักธรรมสามประการนี้เอาไว้เราวันนี้ก็ขอยุติไว้ใยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรใาธรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุว ก, กันทุกท่านเทอ